จะทำบิุกๆรุเจิญพรญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เราไม่มีโอกาสมา พ, พบกันในสนามในเวทีของการบาเพ็ญสมณธรรมเราได้ฟังจากพิธีกรกล่าวถึง เหตุการณ์เพียงแวดล้อมต่างๆที่เกิดกับพวกเราเจ้ากวัดปฏิบัติธรรมอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาประโยชน์่าวาจรผู้เดินทางการเดินทางเมื่อต้องมีอะไรที่จะต้องประสบพบเห็นขัดข้องลําบากสะดวกบ้างเป็นธรรมดามันก็ไม่เหมือนกับพวกเราที่นั่งอยู่เฉยๆ การนั่งอยู่เฉยๆหน่ยก็ซื่อซื่อซือไปการทำอะไรทักอย่างมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาในด้านชีวิตจิตใจของเรานะ่ะมันยิ่งหลายๆอย่างถ้าจะเปรียบเทียบเสมือนกับการเดินทางนั่นแะแต่เวลาใดที่มันหลงมันก็ทำให้เรากระตือรือร้นอา ผลวายที่จะให้พบผลทางแต่คราวใดที่ค้นพบทางไปครองถูกทิศถูกทางถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกเป้าหมายเป็นเช่นนั้นแต่ความหลงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคสําหรับผู้เดินทางแต่เป็นบทเรียนที่ดีด้วยการเดินทางทางกิดเนี่ยเห็นผิดนั่นแหละจึงเห็นถูกเห็นความทุกข์นั่นแหละมันจึงเห็นความไม่ทุกข์ สำหรับผู้มีความภาคเพียรพยายามนีม่เป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะการโครงการพัฒนาจิตใจเนี่ยิย่งมีความสลับซับซ้อนพอสมควรบางทีเราก็ไปนค้นหาว่าคิดคิด จิดมันเป็นอย่างไรความคิดเป็นอย่างไรความถูกความผิดเป็นอย่างไรอย่าไปค้นถามวิธีที่ง่ายที่สุดตามที่ขอพูดตา ม, มตามความรู้สึกโ <c oughs> ดยผ่าการปฏิบัติธรรมการกระดาทางกิตเออย้าไข่หลวงปูเทียน ที่แ้วก็หอบอะไรไปยเยอะแยะพอไปไปยินคำพูดหลวงปู่เทียนว่าให้รูปกายเคลื่อนไปเนี่ยให้เห็นรูปเห็นนามให้เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเราไม่เคยไม่เคยศึกษาเราจะไปบังคับจิตจะไปเอาอะไรอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยพอหลวงปู่เทียนท่านบอกว่าให้ เห็นลูกเห็นนามนี่การเคลื่อนไหวอยู่นี่การยกมืออยู่นี่มันเป็นลูกมันเป็นนามอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นลูกเป็นนามอย่างไรลูกทำนามทำอย่างไรแล้วท่านก็สอนว่าพลิกมือขึ้นดูสิลูกไหมยกมือขึ้นดูสิลูกไหมวางมือลงดูสิลูกไหม ว่ามือลงดูใช่รู้ไหมแล้วก็ตอบว่ารู้รู้เออนั่นแหละใครเป็นรูอย่างนั้นแหละรูแบบดูไม่ใช่รูแบบอยู่อของพระเทียนท่านสอนก็ทำให้เราได้ได้ช่องทางได้ได้เป้าทำให้เราผู้ปฏิบัติธรรมเล็งเป้าไปก็ใส่ใจในการเคลื่อนไหวที่จะรู้ความรู้นี่ไม่ใช่ความคิดความรู้นี่เป็นความรู้ที่ ที่สัมผัสที่สัมผัสได้แล้วก็ของจริงเสียด้วยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีมือที่มันเคลื่อนไหวอยู่มันเป็นลกูกพิกมือขึ้นมันก็เป็นลูกพลิกยกมือขึ้นมันก็ลูกยกมือขึ้นวางมือลงมก็เป็นลูกวางมือลงกว่ามือลงมก็เป็นลกูกคว้างมือล ง, ง, อล ง, ล ง, อลงแล้วก็ก็ได้ได้โอกาสได้จุดเด็ดของการศึกษา ในที่สุดเราก็ลู่ไปคล่องชำนาญในการลู้ไปมันจะหลงก็มีมากมันใจไม่ให้เราลู้เรื่องนี้มีมากเห็นความง่วงเอาหอนนอนความคิดปุ่งสาลอะไรต่างๆไปลู่เรื่องอื่นไปลู้เรื่องคนนอนพูดคนนี่พูดเป็นลู้เรื่องคพบเห็นด้วยตนเองเป็นอิทธาลมเป็นอนอิธาลมเป็นอาสาทะความพออกพอใจ ที่ได้สาเร็จอะไรมาบ้างก็มีบางท่านสำหรับผมเองก็ประสบการณ์ในเรื่องของกรรมฐานแบบพุทโธมันก็ะติดติดแบบพุทโธมันสุขมันสงบมันอะไรต่างๆสารพัดอย่างมันไม่อยากจะมาลู้ไม่อยากจะมาลู้เรื่องกายเรื่องใจมันก็แย้งกันไปแย่งกันมาหลายหลายอย่างที่มันคิดไปหลงไป มันติดะวิญญาณคือมันติดนะมันติดมันติดอารมณ์มันติดความโลภมันติดจิตนิสัยอ่าก็เข็นกอสมควรเข็นให้มารู้เรื่องนี้บางทีมันจะหลับมันดื้อมันไม่อยากจะรู้อะไรมันอยากจกิหลับอย่างเดียวสงบอย่างเดียวมันสบายดีก็ได้หลับตายิ่งบาลานาบริกรรมอาบริกรรมวบาพุทโธพุทโธยิ่งเข้าโลกทาให้สงบ เขาสงบลูกก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งที่ใดมันพัดเข้าไปสู่อากาศนี่นะต้องเข็นเดี๋วา่าลูกให้ลูกสึกให้ลูกสึกน่ยหลายหลยอย่างที่มันจะดักดักมากทาให้เราไม่รู้การปฏิบัติธรรมสิ่งใดที่ทําให้เราไม่รู้เราตัดเข้ามาหาความรู้การที่จะแก้ทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้นี่ ถือว่าเป็นความสะดวกไม่มีวิธีอื่นถ้าจะปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเปลี่ยนมาเป็นความรู้ได้ทั้งนั้นในเรื่องของกายที่จะเป็นเวทนาก็ดีที่จะเป็นหล่อนเป็นหนาวเป็นอะไรปวดเมื่อยอะไรก็ตามเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้มันก็เรา ม่อก็สรุปให้มันเป็นตัวรู้ได้ทุกทั้งหมดเดี๋ยวกับพิจใจก็ตามมันจะมีความคิดความอะไรต่างๆความยินดีความยินร้ายคว า, <c oughs> ความโกรธความโลภความหลงความคิตปุ่งสารอดหัความเครียดอะไรก็ตา่างเราเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ พอมาเปลี่ยนมาเป็นตัวหลวงก็ชานาญในการเปลี่ยนเปลี <ita> ่ยนลายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกคือตัวลูกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกชํานาญในการเปลี่ยนชํานาญในการเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกตัวนี้เป็นเป็นภาวะทิ่ตรงถ้าถ้าตามที่ได้ประสบมาทาตามที่ได้ประสบได้สัมผัสได้มีบทเรียนมา แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมาเป็นตัวลูกก็เนินช้าเอาให้มันสั่นเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกอย่าฟังเสียงอะไรบางท่านอาจจะเกิดปิติเกิดสุขเกิดความรู้อะไรต่างๆก็้ามาเปลี่ยนว่าเป็นตัวลูกเนี่ย ไ, ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลูกคิดอะไรต่างๆไม่ใช่นะลู่สึกนะ่ะเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็พร้อมไปกับการเคลื่อนไหวกําหนดอยู่นี่ ภาวะรู้สึกเปลี่ยนมาเป็นภาวะหนึ่งเพราะรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นภาวะที่ดูหยุดเด่นคือภาวะที่ดูดูอยู่ดูอยู่กําลังดูอยู่นะฟังให้ดีกําลังดูอยู่อะไร ด, รดูเรว่ารู้อยู่เพราะฉมักเราดูสิยาด ทุกคนในโลกในประเทศไทยกำลังดูโจุดเดียวกันนี้มันจะเคลื่อนเนี่ย Schon? แล้วกำลังดูอยู่เนี่ยอันภาทิตย์มันดวงหนึง่งอันหนึง่งแต่เราดูอยู่เนี่ยเราพยายามดูอยู่มันเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นเราดูอยู่การดูตัวเาราก็เหมือน ก, กันกำลังดูอยู่ดูกายเคลื่อนไหวมันไม่เป้าอย่างนี้คำว่าดูก็ว่ารู้สึกตัวนะมันกำลังดูแลอะไรอยู่ภาวะที่ดูแลก็คือความรู้สึกตัวเนี่ย ว่าสตินี่แหละสัมปชัญญะนี่แหละกำลังดูอยู่มันเกิดอะไรขึ้นก็ดูอยู่รู้อยู่เปลี่ยนมาเป็นความรู้ถ้ามันจะไปทางอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์ควาหนดเห็นอยู่เห็นภาวะนั้นที่มันเกิดขึ้นอยู่อะไรที่มันเกิดขึ้นก็หลายๆลายอย่างเกิดขึ้นกับกายกับใจรู้อยู่บางทีอาจจะไปคิดนะอะไรคือรูปอะไรคือนะ้ำไม่ต้องไปคิด ทำเลยไป้อเทียนพยามที่จะบอกให้เราให้รู้จักรูปน้ํานะอืให้รู้จักเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปธรรมมันเป็นนมามธรรมบางทีก็คิดหาไม่ต้องไปคิดหาขอให้มีความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวหน่อยคล้องไปกับกายที่มันเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกตัวทันต่อการเคลื่อนไหวของกายของใจ การเคลื่อนไหวของใจก็คือมันคิดการเคลื่อนไหวของจิตใจคือมันคิดการเคลื่อนไหวของกายคืออริบทที่เราเจตนายกมือสร้างจาังหวะหรือเดินจงกรมส่วนการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยคือมันคิดไม่ได้เจตนามันคิดขึ้นมาเองของมันเราก็รู้ทันรู้ทันภาวะนั้นแล้วภาวะที่มันรักคิดขึ้นมารู้ทัน พอรู้ทันพอรู้สึกตัวความชีวกรรหมดมันง่ายกว่ากายกายนี้ถ้ามันปวดมันเป็นเวทน า, าก็รู้สึกเราก็เราก็เกี่ยวข้องกับเวทนาอย่างไรไม่ใช่เข้าไปอยู่เข้าไปเป็นกับเวทนาความรู้สึกตัวค่อยแยกค่อยคนละเรื่องมันก็เราดูกายที่มันเคลื่อนไหวนี่เป็นอันหนึ่งนะ้จิตใจที่มันคิดเป็นอันหนึ่งความรู้สึกตัวเป็นคนดู รูอยู่สัมผัสอยู่แต่มันไม่คิดเราก็รู้เรื่องของกายชํานาญในเรื่องของความรู้แล้วใดที่มันชื่อกับพับทันทีรู้ทันรู้ทันรู้ทันแต่ตีมันก็แจกล้ามีโอกาสแจกกล้าขึ้นตอนที่มันเกิดความรู้ก็รู้อีกละไม่ใช่เข้าไปอยู่ในความรู้นะเห็นมันรู้เห็นมันเบื่อเห็นมันเไรทุกทุกอย่างความรู้จากตัวไม่ได้เข้าไปเป็นกับอะไรทั้งหมดคล้ายๆกับว่าเรากําลังดูอะไรอยู่ จุดดูของเรากําลังเด่นจุดดูมันเด่นอะไรผ่านมาลู่ทันทีลู่ทันทีกําลังมีจุดดูแล้วก็จับจุดนี้ไปเละไปตามทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ไม่ค่อยเด่นพอดูเขาดูเขามันก็มีจุดเด่นที่ลู่ทันเออเพราะว่าที่เคลื่อนไหวนี่เป็นอันหนึ่งเพราะว่าที่เห็นเป็นอันหนึ่งเพราะว่าที่คิดเป็นอันหนึ่ง เพราว่าที่เห็นคิดอันหน่งตัวเห็นนี่เป็นอันเดียวเห็นความร้อนความหนาวเห็นความโปวดความเมืยก็คือการเห็นนั่นเดียวเห็นความคิดเป็นข่ําเป็นเครียดเป็นเคร่งเป็นอะไรต่างๆก็คือเห็นนั่นเดียวเห็นอันเดียวเพราว่าที่เห็นนี่เป็นจุดเด่นเป็นจุดเดียวเราทํำเลยมันสะดวกนะการปฏิบัติธรรมสะดวกมากไม่ใช่ไปคิดถาอะไรคือรูปอะไรคืนามไม่ใช่ไปคิด ปางทีไปคิดดูจิต ด, ดูใจอะไรคือความคิดอะไรคือจิตอย่าไปคิดไม่ต้องไปคิดเหน็นเ่าได้ไม่ต้องคิดจิตมันคืออะไรที่ยงมันคือหอวใจความคิดมันคืออะไรอารมณ์มันคืออะไรไม่ต้องดอก้าเราได้หลักมันก็ทะลุไปเองอย่าไปเอาลูกก่อนลูกเห็นก่อนเห็นเป็นก่อนเป็ น, ปนคิดลูกเอาเหตุเอาปัจจัยเอาเหตุเอาผลไปย่อยไปหา แยกแยกไม่ต้องกรรมาฐานนี่เอากรรมเอาการการทาการกระทําในมันจะลี้คิดไปเองการกระทามันจะลี้คิดไปเองเป็นสิ่งที่ลี้คิดชีวิตของเราผลของการกระทํานี่แหละมันจะเป็นไปนี่เราเรียนวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่สุดยอดของชีวิตเราศาสราของเราเก็จะ ก, การกระทํา พระพุทธเจ้าก็เกิดจากการกระทำพระสงฆ์ก็เกิดจากการกระทำที่เราทำอยู่นี้เราภาวนาอย่างนี้เราลู่อยู่นี้เอาการกระทำบุกเบิกจะไปเอาเหตุเอาผลเป็นสิ่งบุกเบิกวิธีเรียนสัจจะวิธีเรียนปรัชมัด ต, ต้องเอาการกระทำอาศัยการกระทำอาศัยการปราบความเพียรให้ลู่สึกตัวลู่สึกตัวเอาไว้อะไรก็ตาม พ อ, อมาถึงความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวนั้ว่าเช่นเรานั่งอยู่มันจะลุกมันคิดจะลุกมันคิดจะลุกขึ้นมาถึงแม้นว่ามันคิดก่อนเราก็ลูกเราก็รู้สึกไม่ได้ความไม่ได้ทาไปตามความคิดอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเกับใจความรู้สึก ต, ตัวต้องไปกำหนดทุกอย่าง แต่ว่าไม่ใช่นั่งไปค่อยกำหนดแล้โ น, โ น, น้นแล้นี้นะเรามีอิริบทของเราเป็นยกมือช่างเจ้าว่าเนเป็นอิริบทหลักอิริบทหลักๆการเคลื่อนไหวการเจตนาการยกมือหรือการเดินจงกรมเนี่ยเป็นอิริบทหลักอิริบทที่มันเกิดแทรกซ้อนขึ้นมาอันนั้นเป็นอิริบทอันหนึ่งต่างหากเราก็ลู้เรากลับมาให้เป็นกลับมาหาอริบทหลัก เรียกว่าปฏิปฏิบัติคือกลับกลับมาหาหลักตามวิชาที่เราเรียกว่ากรรมฐานกลับหากลับมาหาที่ตั้งของการกระทาถ้ากลับไม่เป็นก็ไม่ถูกอะไรที่จะมาผ่านก็บไปกับอาการต่างๆไม่ถูกต้องกลับมาให้ทันเวลาถ้าไม่กลับตอนที่มันจะชวนให้หลงมันไม่ไม่มีบทเรียน เก็นความคิดไปกับความคิดซะจนกลายเป็นเรื่องปรุงแต่งไปคิดในเรื่องความรู้เหตุผลก็บป้อยกับความรู้เหตุผลคิดในเรื่องของอารมณ์กับป้อยกับอารมณ์นั้นไม่มีบทเรียนให้เรากลับปฏิคือกลับการกลับในบทมีบทเรียนเป็นการโตร้ตอบทักท้วงตรวจสอบการรู้จักกลับเป็นการตรวจสอบมีบทเรียนเลยเลยือดนีเสียด้วย คนที่มันมีบทเรียนใ่้มันคิดไม่ใช่ไปห้ามมันให้มันคิดลงไปเราจะรู้เราจะเห็นเราจะกลับมาหาที่ตั้งของเราอยู่มันคิดลงไปพอมันคิดที่ใดรู้เราก็กลับมาหาฐานที่ตั้งที่การกระทำของเราจะคิดเท่าไรเท่าไรกลับมาได้เท่านั้นจะคิดเท่าไรกลับมาได้เท่านั้นจะคิดผิดคิดถูกจคิดรู้คิดไม่รู้กลับมา ตัดได้ทั้งหมดนีด่ ว, ว่าปฏิปฏิบัติถ้า ถ, ถ้าทำจุดนี้ให้มันเด่นนะถ้าทำจุดนี้ให้มันเด่นมันจะมีโอกาสมีความเข้มแข็งมีบทเรียนที่ดีแล้วก็คล่องคล่องตัวคล่องตัวกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าการกลับการดูอยู่ในีมันมันมันจะเด่นจุดนี้จะกรจะเกิดอยาน เกิดการเห็นลูกเห็นน้ำโอ้การเคลื่อนไหวนี่เป็นอันหนึ่งความคิดนั่นเป็นอันหนึ่งตัวดูตัวนี่เป็นอันหนึ่งตัวลูกตัวนี่เป็นอันหนึ่งแต่เราจะลู้จะแยกเลยว่าจะเกิดญาณปัญญาขึ้นในครั้งในโอกาสใดโอกาสหนึ่งอาจจะเห็นลูกเห็นน้ำอาจจะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเห็นอาการต่างๆทีเกิดขึ้นกับลู่เราเรียก เราเรียกแบบปฏิบัติเรียกว่ารูปประธรรมนามธรรมาต่เรียกแต่วิชาการาก็เรียกอะไรไปไม่รู้แต่เรียกปฏิบัติเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันเรียกเป็นรู ป, ประธรรมเรียกเป็นนามธรรมาให้เห็นจุดนี้ก่อนมันจะไปรู้อะไรก็ตามอย่าพึงไปเอาให้มันเห็นเนี่ยเห็นอาการต่างๆเห็นกายเห็น จิตที่มันคิดมันนึกทําไมมันเคลื่อนไหวอะไรที่มันคิดไปโน่นเคลื่อนไหวอยู่นี้อันหนึ่งคิดไปโน่นเป็นอันหนึ่งอืแล้วเราลู่หลักนี่แล้วหายคุณแจแจ๊โซดได้มันก็เกิดการทะลุปลุกปงเรื่องของโกูกเรื่องของนามมันไ ม, ม่อะไรบ้างเราลู่จักเราลู่แจ้งไม่ใช่ลูจ่จําเกิดการพบเพ้นเราก็เกิดการพบเพ้นโต ตอบได้เฉลยได้อยงใดที่เกิดขึ้นกับรูปอาการของรูปมันคืออะไรธรรมชาติของรูปมันคืออะไรอาการของนามมันคืออะไรธรรมชาติของนามมันคืออะไรเราจะรู้จักมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้นภาวะเก่าเห็นความเป็นเช็นอย่างนี้ไม่ใช่หลงมันหลงไม่เป็นเห็นครั้งเดียวจบไปตลอดชีวิต อะไรที่เกิดขึ้นกับลูกลู่แล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับน้ำลู่แล้วธรรมชาติเป็นอย่างไรอาการเป็นยังไงลู่แล้วร้ายร้ายอยากเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลู่แล้วเพราะว่าลู่แล้วมันคือหลุดพนะ้นแล้ะมันชำนาญในการหลุดพ้นในวิธีที่เราเรียนกรรมฐานเป็นวิธีที่เกิดการพบเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเห็น การคิดเห็นในมันเป็นของสมมุติบัญญัติแต่แต่ใครจะคิดเอาแต่ว่าการพบเห็นเป็นปรมาจิสัหตุเห็นโลกเห็นนามเป็นปรมัติตเกิดการเห็นธรรมชาติเทนนาการต่างๆแต่เห็นปรมัติตมันก็เฉลยได้ตอบได้เห็นเป็นสมมติมันก็เพียงแต่รู้เฉยๆพอเราก็รู้ทั้งนั้นละรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ทุก ทุกมันไม่ดีความโกรธมันไม่ดีเราก็เห็นอยู่รู้อยู่อันนี้เป็นสมมติถ้าคิดเห็นเฉยๆได้เหตุได้ผลเฉยๆถ้าเห็นว่าความโกรธ ถ, ถ้าไปจ้าเอกับความโกรธความโกรธมันคืออะไรสัมผัสกับความไม่โกรธมันต่างกันอย่างไร<ม>เห็นเราเห็นคิดเราก็เห็นอยู่ความคิดไม่มีใครไม่เห็นความคิดรู้รกันอยู่ ทุกคนละผู้ปฏิบัติธรรมเห็นความคิดตลอดเวลาแต่มันไม่ได้เห็นแจ็มันเห็นแบบอืมแบบผ่านผ่านไม่ใช่เห็นแบบจะเอ่กันจริงๆริงว่าสองวันวันนี้มีโยมคนหนึ่งเขาปฏิบัติธรรมเขามาเล่าเรื่องเขาเห็นความคิด การมีสติเห็นความคิดขณะนั้นโอกาสนั้นเขากําลังอาบน้ําอยู่ถูสบู่อยู่เขาก็พยายามใช้ความรู้สึกไปกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้ยกมือสร้างจังบวะเขาอาบน้ำเขาถูสบู่รู้สึกตัวพอริ่มเกิดความคิดขึ้นมาวั บ, บเขาก็เห็นความคิดมันโผล่ออกมาเหมือนกับอันนั้นเขาก็รู้สึกพอรู้สึกความคิดสอกก็หดไปอ็กน้อยเขาก็ โผ อ, ออกมาเขาก็รู้สึกความคิดก็หลุดออกไปหมดไปหลายครั้งที่มันเกิดเห็นความคิดที่มันชัดเจนพอเห็นจริงจังจะเอ่กันจริงจังในขนาดขนาดนั้นโอกาสนั้นความคิดก็ทำอะไรไม่ได้เอาความคิดทำให้เขาทาอะไรให้เขาไม่ได้เราก็ได้หลับรากอว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เคยมีเช่นอารมณ์ต่างๆความโกรธความโลภความหลงความรักความชังค่อยหลุดค่อยหลนไปดูอาการต่างๆที่มันหลุดไปเพราะเห็นคนคิดอย่างเดียวมันพบเห็นจริงๆไม่ใช่มันคิดเห็นเขาอุตส่าห์โทรมาถามโทรมาก็ก็บอกว่าอยูจวัดก็ขับรถมาเลย สองวันสามวันที่เขามันเกิดจินตยานเกิดอะไรต่างๆเนี่ยจนมันรู้อะไรไปซาลพัอยามันจะกลายเป็นวิปัสสนุเขาก็รู้นะก็ถูกพอมันพอเห็นความคิดความทุกข์ต่างๆมันหลุดไปหลายอย่างแต่ก่อนเขาว่าเขาเนี่ยเคยเป็นทุกข์เพราะ เพราะคนโกงเงินเป็นหลายล้านแต่คิดขึ้นมาข่าวใดที่คิดถึงความโกลของโกงของเขาหน้ามันจะลอนใจมันสั่นขึ้นมาตัวแดงขึ้นม า, าทันทีที่เขาโกงแต่เ ด, เดี๋ยวนี้เขาว่าคิดเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ไปแบบนั้นคิดเหมือนเดิมคิดเห็นคนที่เขาโกงเหมือนเดิม แต่ว่าอาการต่างๆของกายของใจมันไม่ไปพอมาลู่เรื่องนี้เขารู้แล้วมันหลุดะไม่ใช่รู้แล้วมันจำพอภาวะที่เห็นความคิดเนี่ยถ้าจะเอกจริงรู้แล้วมันหลดุดขอใจคิดเรื่องคนนั่นโกงอย่างงั้นอ<ม>ันนี้มันก็ไม่เป็นไรมันก็ยิ้มยิมได้มันปกติอันนี้เป็นภาวะที่การเห็นการพกเห็นไม่เหมือนกับการคิดเห็น นี่เราก็มีบทเรียนไปเรื่อยๆยาประมาทขณะใดที่มันคิดขึ้นว่าอย่าอ่อนไปตามมันให้มันเห็นชัดความหลงก็ให้เห็นความหลงกันชัดความถูกก็ให้เห็นความถูกความผิดก็เห็นความผิดบางทีเราไม่เห็นความหลงนะไปเห็นแต่วความถูกความหลงนั่นแหละยิ่งให้มันชัดเจนเวลาใดที่มันหลงรูยิ้มจิ้มรู้ซึซื่ อ, อเห็นเราชื่นใจ แม้คนอื่นมาบอกเราก็ชื่นใจที่เราทําผิดเราเห็นตัวเราทาผิดโอ้มันสุขใจการเห็นการทําถูกนะไม่เป็นไรมันไม่ได้บทเรียนเท่ากับการเห็นการทําผิดของเราดูดีๆมันจะมีรสชาติคราวใดที่เรา อ, อคิดขึ้นมาพอมาคิดขึ้นมาเราลู้สึกไงมันลึกซึ้งนะไม่เหมือนกับเราหลงคิดนะ ในเมื่อเรลรู่อยู่ต่อเนื่องไปเนี่มันก็ซื่ อ, อ, อธรรมดาแต่เวลาใดที่มันหลงคิดขึ้นมาเราลู่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราจะต้องทําให้เด่นกว่าอันอื่นอะไรที่มันจะเกิดสุขคราได้ที่มันจะเกิดทุกข์คราวใดที่มันจะเกิดหลงเคราวใดที่มันจะเกิดความบ่วงเหงาหนงอนให้มันเห็นชัดๆให้มันชัดจุดนี้ให้ได้แต่ชัดจุดนี้ได้ก็ไม่โอกาสคล่อง สะดวกมันก็เรา ช, นชำนิชานาญในการเดินทางจุดใดที่หลงเราก็มั่นใจบอกรับรองว่าไม่หลงมั่นใจในการเดินทางสี่แยกห้าแยกสามแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจําได้มันก็เดินทางจากไชยโูมาทีนี่เอาให้แม่นเลยละ่ะจุดใดที่เลี้ยวยังไงให้ช่อง แต่การที่เรามั่นใจในโอกาสที่จะเลี้ยว เ, เยวน่ยเราแก้จุดนี้พอเลี้ยวได้จุดไหนถูกทางเราก็ไปสบายการปฏิบัติธรรมกับวันกันถ้าไม่แก้จุดที่มันหลงไม่รู้จุดที่มันหลงไม่รู้จุดที่มันผิดมันถูกมันก็ไม่มีบทเรียนการปฏิบัติธรรมเป็นการประสบการเป็นบทเรียนกับความผิดความถูกของเราโดยเฉพาะเรื่องของกรรมฐาน เรียนจากตัวธรรมชาติแท้ๆไม่ได้เรียนจากตำราตำราอะไรที่ไหนเอาของเริงมาศึกษามันหลงเกิดจากอะไรมันถูกเกิดจากอะไรมันทุกมันเกิดจากอะไรมันผิดมันเกิดจากอะไรเอาของเริงมาว่ากันละเช่นความง่วงอยู่าเนี่ยเอามาได้สอนกันว่านิวรณนและทำอืมอะไรต่างๆมันเป็นภาษาคำพูดให้มันเห็นความง่วงมันคืออะไ ให้ไม่เห็นความคิดมันคืออะไรให้ม่เห็นความลังเลสงสัยมันคืออะไรเอาของจริงมาเรียนกันจริงๆไม่ใช่เอาตำลับตาลามาสอนกันเพิ่มวัญประสบสัมผัสเอาสัมผัสความผิดสัมผัสความถูกสัมผัสความรู้สัมผัสความหลงมันต่างกันอย่างไรนี่เราสัมผัสความรู้กิจใจเขเราได้สัมผัสความรู้นานๆเขา้า นานเข้านานเข้าเวลาใดที่มันหลงมันก็ต่างกันใครเป็นคนเห็นใครบอกเราสัมผัสดูแล้วความหลงมันเป็นอย่างไรความรู้มันเป็นอย่างไรมันก็จะไม่เอาความหลงความรู้มันคล้ายๆว่ามันบริสุทธิ์มันสะอาดดีความหลงก็เหมือนกับการเปิดเื่อนมันก็เราใส่สวมเสื้อผ้าะอะไรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด มันก็มันก็สะดวกกว่าการสวมเสื้อผ้าที่สกปกเลอะเธอะที่อยู่ที่นั่งที่นอนมันสะอาดหมดจดมันก็ต่าง ก, ก, กันกับเรานั่งอยู่ในที่สงสุขปกเลอะเทอะการสัมฝัสกับความรู้ได้นา น, านหนึ่งวันสองวันหา้าวันเจ็ดวันพอมันหลงมันก็ไม่เอาเองรอกไม่บอกไม่มีใครมาบอกเราเรียนมาเองเราประสบพวกเป็นไงความรู้กับความหลงมันเป็นอย่างไร ความผิดกับความถูกมันเป็นอย่างไรสัมผัสดูแล้วนั้นนี้เป็นกรรมฐานเป็นวิชาที่รีคิดชีวิตของเราเป็นของจริงธรรมชาติจะสอนเราเองขอให้เรามีสติเป็นเป็นหลักตัวพัฒนาคิดจริงๆคือความรู้สึกตัวเลยลเป็นหลักไม่ใช่รูปแบบอะไรเราพยายามเข้าให้ถึงความรู้สึกตัวมันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดปิติเกิดกินตะยานเกิดความโลภเกิดจากสัญญาจําอะไรมาบ้างจากครูบาอาจารย์เอาผิดเอาถูกบองทีมันก็เกิดสมมุติบัญญัติขึ้นมาความชอบความไม่ชอบอะไรต่างๆมันจะดึงเราหนีออกไปหลายๆอย่างหลักของเราจริงคือความโูภสึกตัว